พระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณ ะ, ะจรณะที่พระองค์ถึงพร้อมที่เป็นข้อปฏิบัติของพระองค์ที่ทําให้พระองค์นั้นบรรลุพระนิพพานซึ่งจรณะเปรียบเหมือนกับข้อปฏิบัติเนี่ยนะเปรียบเหมือนเท้าเนี่ยนะเท้าที่ก้าวเดินไปสู่พระนิพพานนะสู่จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานบรรจรณะเนี่ยชื่อว่ามีอุปการะมากต่อการตรัสรู้ธรรม ผู้ที่ปฏิบัติตามจารณะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไปสู่อมตะทิศทิศที่ไม่ตายเนี่ยนะทิศเป็นที่พ้นชราและมรณะทิศที่พ้นจากวัตทุกข์โดยประการทั้งปวงบรรณะที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะหลายข้อนับตั้งแต่พระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรพระองค์มีชาคริยานุโยกเนี่นะพระองค์มีโภชเนมตันยุตา ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีศรัทธามีฮิริโอต ป, ปะมีพหมีความเป็นพหูสูตรหรือที่เรียกว่ามีสุตตะพระองค์มีวิริยะมีความภาคเพียรพยายามานะมีวิริยะมีสัมมาประธานสี่นี้พระองค์นั้นมีสติเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติเนี่คคำว่าสติเนี่ยนะสตินั้นแปลว่าธรรมชาติที่ทั่วไปนิยมแปลว่าระลึกได้ นะระลึกได้ถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าสติเหมือนกับว่าจําได้นะเหมือนกับจําได้แต่ถ้าจําได้เฉยๆไม่แน่ว่าจะต่อด้วยอภิชาและโทมานตนะจําถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดถ้าทรงจําเฉยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะประกอบด้วยอภิชาและโทมานต์แต่ถ้าสติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งเป็นกุศลธรรม ขณะที่สติเกิดขณะนั้นเป็นกุศลธรรมสติเกิดขึ้นนั้นระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแล้วจําแนกแยกแยะวินิจฉัยวิเคราะห์ในสิ่งที่ทําคําที่พูดไม่สับสนไม่เลอะเลือนและก็ไม่เลื่อนลอยพระพระนาคเกษรนั้นจึงกล่าวไว้ในมิลินทปัญหาว่าสตินั้นมีลักษณะไม่เลอะเลือนอนะไม่เลอะเลือนไม่สับสนไม่ยุ่งเหยิงไม่ปนเปใครว่าไม่มั่วนะ หรือสตินั้นมีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะอย่างที่พระเจ้ามิลินเนี่ยนะได้กราบทูลถามได้เรียนถามพระนากเกษณว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษณสตินี่มีอะไรเป็นลักษณะหรือสตินี่มีลักษณะอย่างไรเพราะว่าลักษณะของสติเนี่ยนะเป็นอย่างไรประกาศทึงว่าผู้มีสตินั้นเขาระลึกอะไรได้ซึ่งพระนากเกษณก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตร สติมีความไม่เละเลือนไม่สับสนเป็นลักษณะหรือว่าสตินั้นมีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินก็ถามไปอีกว่าพระคุณเจ้าสติชื่อว่ามีความไม่เละเลือนเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะที่ว่าไม่เละเลือนไม่สับสนเนี่ยนะั้นคนที่มีสติเนี่ยจะไม่เละเลือนไม่สับสนไม่ใช่ถ้าคนลงลืมสตินี่มันสับสน คือว่ามันยุ่งเหยิงเนี่ยนะมันชีวิตที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงค่อนข้างมั่วนะแต่ที่ไหนมีคําว่าสติทั่วๆไปเรียกว่ามีสติให้รู้เท่าที่มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยนะนะอย่างน้อยที่สุดสติอันนี้หมายถึงสติที่ประกอบด้วยศา ธ, ธกะสัมปชัญญะมันจะไม่ใช่แบบแม้สติโดดเดียวเดียวเพียวเพียวล้วนล้วนอ่ะไม่ใช่แต่เป็นสติที่สัมพยุ ด, ด้วยศา ธ, ธกะสัมปชัญญะสติที่ อรอบรู้ในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะจริงอยู่สติเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวทากิจแบบปัญญาแต่สติตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่สาคัญของปัญญาแล้วก็เป็นเหตุที่สาคัญของปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่คือสัมปชัญญะที่รอบรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มันสตินั้นเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกับสัมปชัญญะนั้นเชื่อว่ามีความไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะ ซึ่งพระนาเกษมก็ตอบอธิบายเพิ่มเติมว่ามหาบาพิษสตินี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เลอะเลือนไม่สับสนสติเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่สับสนว่า น, นี้เป็นกุศลเห็นไหมกุศลเนี่ยทางกายวาจาและใจไม่คือคนที่ไม่มีสติเนี่ยนะเลอะเลือนบางทีเนี่ยทำบาบด้วยกายอยู่ก็ยังบอกว่าเป็นกุศลพูดด้วยคําพูดที่เป็นวจีทุจริตอยู่ก็ยังบอกว่าเป็นกุศลคิดด้วยอกุศลจิตทั้งหลายก็ว่ายังว่าเป็น กุศลหรือบางคนเนี่ยนะสับสนขณะที่ทำความดีด้วยกายอยู่ก็บอกว่านี่เป็นอกุศลพูดด้วยกุศลจิตอยู่ก็ยังบอกว่านี้เป็นอกุศลเนี่ยนะหรือ diyorum, คิดด้วยกุศลจิตเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ยังบอกว่านี้มีโทษอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่สับสนสับสนว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลถ้าผู้ที่มีสตินั้นจะไม่สับสนว่านี้คือกุศลนี้คืออกุศล นะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะกายกรรมที่เราขยับตัวทุกครั้งเนี่ยนะมันก็มีอยู่ชวนะที่เป็นเหตุให้ขยับตัวมีอยู่สองอย่างคือกุศลและอะกุศลทีนี้เราสัตว์สังเกตเราสับสนไหมว่าขณะไหนกุศลแลเป็นการพฤติกรรมขยับตัวด้วยกุศลเหลียวซ้ายเหลี้ยวขวาด้วยกุศลยกมือยกแขนเป็นต้นด้วยกุศลยืนเดินนั่งนอนด้วยกุศลพูดด้วยคาพูดที่เป็น มีกุศลจิตเป็นสมุทฐานหรือความนึกคิดที่เป็นไปนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลทีนี่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะพระองค์จะไม่สับสนในเรื่องของกุศลและอกุศลแล้วพระองค์รู้ได้อย่างไรถ้าเป็นอกุศลเนี่ยนะถ้าเป็นอกุศลกายกรรมที่มีโทษ อกุศลมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่ามันมีโทษเป็นกายกรรมที่มีโทษในขณะนั้นและต่อต่อไปเป็นวจีกรรมที่มีโทษในขณะนั้นและต่อต่อไปเป็นมโนโกรรมเป็นความคิดที่มีโทษเพราะบุคคลใดเจริญความคิดเหล่านั้นทำความคิดเหล่านั้นให้เพิ่มพูนมากขึ้นเท่าใดก็มีโทษเท่านั้นกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมเหล่านั้นก็เลยเรียกว่าเป็น กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีโทษเนี่ยนะคือลองเขาบอกว่าเออนี่บางคนเขาบอกว่าไอ้ที่เขาทำทาพูดพูดคิ ด, ค, ดคิดอยู่เนี่ยไม่เป็นอกุศลหรอกเป็นกุศลเขาบอกว่าคุณเจริญอย่างนี้ตลอดรอดฟังเจริญอย่างนี้จนตลอดสายแล้วมันจะให้ผลอย่างไรคือบางครั้งเนี่ยเมื่อวิจารณญาณสับสนเลื่อนลอยเนี่ยบางคนมองเห็นอกุศลว่าเป็นกุศลมองเห็นสิ่งที่มีโทษว่า ไม่มีโทษเพราะอะไรเพราะน้ํานมที่ยังไม่แปรสภาพนะถ้านมสดที่ยังไม่แปรสภาพเราก็จะบอกว่ามันมันจะเป็นนมสดตลอดไปเมื่อใดที่นมสดแปรสภาพเป็นนมส้มหรือที่เรียกว่านมบูดนะนมส้มนมบูดก็เรียกกันนะถ้าไม่ไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นนมบูดเนี่ยนะก็ตกตะกอนขึ้นมาเป็นเปรียงเนี่ยนะชันใดก็ดีหรือขนมสดก็เหมือนกันเนี่ยนะขนมสดที่ไม่ผสมสารอะไรทั่วไปเนี่ย ถ้ามองแต่เฉพาะหน้ามันก็คือขนมสดหรืออาหารที่ปรุงสุกแล้วถ้ามองแค่เฉพาะหน้าก็คืออาหารที่สุกดีปรุงดีแต่ถ้าปล่อยไปนานๆๆๆนจะเป็นอย่างไรฉันใดกายกรรมบางอย่างดูด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าบอกไม่มีโทษคำพูดบางอย่างถ้าดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าบอกไม่เป็นไรความคิดไล้าอย่างเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าลองคิดอย่างนั้นตลอดไปดูสิ นะถ้าพูดอย่างนั้นตลอดไปถ้าทําอย่างนั้นตลอดไปแล้วผลผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะอันนีอ้อนาคตเนี่ยเป็นตัวสอดส่องบอกว่าเหตุที่กําลังทำอยู่นั้นมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะให้ผลเป็นทุกข์อกุศลคือสิ่งที่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อต่อไปและอกุศลเนี่ยนะหนึ่งใน สายตาของบัณฑิตบัณฑิตทั้งหลายท่านกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไรอันนะั้อย่างยกตัวอย่างมาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นดวงตาของโลกพระองค์ไม่ไม่สับสนพระองค์มองเห็นกระแสความเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายอย่างตลอดสายเนี่ย น, นะมองเห็นความเป็นไปของกุศลและอกุศลอย่างตลอดสายมองอรอบรู้ในองค์ประกอบของกุศลและอกุศลรอบรู้ว่าสิ่งนี้มันมีโทษหรือไม่มีโทษอย่างไรต่อไปเนี่ยนะ พระงก็แยกแยะได้หมดเลย น, นะยังทบทวนดูอี ท, ทีว่าสิ่งใดที่เป็นอกุศลสิ่งนั้นมีโทษ น, นะนะมีโทษทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปแต่บางคนก็บอกมองไม่เห็นโทษในปัจจุบันแต่สา ม, มารถที่จะมองเห็นผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายก็ติเตียนบินยูชนทั้งหลายติเตียน ผู้ใดประพฤติปฏิบัติสมาทานทำให้มากแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสุขไม่เป็นไปเพื่อเพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานนะนะคือไม่ได้จบลงด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเช่นราคะโธสะโมหเป็นอกุศลเพราะเกิดจากความไม่ฉลาดมีโทษทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาไข้ครวญแล้ว ก็ติเตียนเพราะอะไรเพราะบุคคลใดสั่งสมราคะโทสะโมหะไว้มากเท่าใดาก็ห่างธทมเป็นที่สิ้นไปแห่งวัตตะเท่านั้นก็แปลว่าชมอยู่ในวัตตะเท่านั้นผู้ที่มีสติ ส, รรสัมปชัญญะเขาระลึกจำเนกได้ว่านี้มีโทษนะแล้วก็นี้ไม่มีโทษถ้าเป็นกุศลเนี่ยนะไม่มีโทษกายกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะว่าจีกรรมที่เป็นกุศลมนโนกรรมที่เป็น กุศลไม่มีโทษทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปผู้รู้พิจารณาใกล้ครวนแล้วบอกว่านี่ดีเนี่ยนะผู้รู้ท่านสรรเสริญเพราะบุคคลใดสมธ า, านประพฤติปฏิบัติทำให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นอ ก, กุศลนั้นจึงเป็นสิ่งที่เลวเนี่ยนะกุศลจึงเป็นสิ่งที่ประณีตและเหมาะสม อกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายเป็นความไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาและใจกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่สม่ำเสมอเหมาะสมทางกายวาจาและใจมันสตินั้นเมื่อเกิดขึ้นจะรู้ว่าอะไรเป็นของดำเนี่ยนะเป็นความดำเพราะมีวิบากเป็นทุกข์ต่อต่อไปอะไรเป็นธรรขาวเนี่ยนะเพราะให้ผลเป็นสุขต่อต่อไปมันผู้ที่มีสตินั้นจึงไม่เลอะเลือนในธรรมทั้งหลาย ว่านี้คือสติปัฏฐานสี่ถ้ามีสติจริงเนี่ยรู้ว่านี้คือสติปัฏฐานสี่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสติปัฏฐานสี่ก็คือวิปลาสสีอัคติสี่เป็นต้นแยกแยะว่านี้ขณะนี้เราเจริญสติปัฏฐานนี้เป็นการเจริญวิปลาสนี้เป็นความมัวเมา Venus. นี้เป็นการเจริญอัคตินี้เป็นการเกลือกกล้วอยู่ด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายมันผู้มีสติแยกว่านี้คือสติปัฏฐานสี่ก็ต้องมองออกว่านี้ไม่ใช่สติปัฏฐานสี่ นี้เป็นสัมมปทานสี่เป็นความเพียนชอบนี้เป็นความเกียดคร้านเนี่ยนะแยกออกไว้นี้เป็นที่บาทอิทธิบาทสเป็นบาทคุณเครื่องทำให้เกิดการตรัสรูม้มรรคผลต่อไปนี้ไม่ใช่อิทธิบาทสนี้เป็นแค่อธิบดีอ่ะ น, นะอธิบดีบางอย่างที่เป็นไปเพื่อสร้างความเสียหายเนี่ยนะนี้คืออินทรีห์านี้คือสัตทินรี่ นี้คือวิริยินรียนี้คือสติินรียนี้คือสมาธินรียนี้คือปัญญินรียแสดงว่ารู้ว่านี้สติินรียนั้นอะรู้ว่าสัตทินรียนั้นดูได้ที่ไหนดูได้จากโสตาปฏิยังค่าธรรมเห็นวิริยินทรีย์ในสัมมาประธานสีเห็นสตินรียในสติประฐานสีเห็นสมาธินรียในฌานสีเห็นปัญญินรียที่รอบรู้ในอริยสัจสรู้ว่าภะนี่นะนี้เป็นละเพราะ ศรัทธาพระไม่หวั่นไหวต่อความไม่มีศรัทธาวิริยะพระไม่หวั่นไหวต่อความเกียรติครานสติพระไม่หวั่นไหวในความประมาทสมาธิพระไม่หวั่นไหวในความฟุ้งซ่านปัญญาภระไม่หวั่นไหวในอวิชชาความโง่เขลาเนี่ยนะวันนี้เป็นพระแสดงว่าแยกออกวันนี้เป็นพระนี้ไม่ใช่พระนี้เป็นโพชงคือองค์ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้ วันนี้คือสติที่เป็นองค์ที่ทำให้เกิดการตรัสรู้นี้คือธรรมวิจยะนี้คือวิริยะนี้คือสตินี้คือสมาธินี้คือคุณธรรมที่เป็นเหตุเป็นองค์ให้เกิดการตรัสรู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดการตรัสรู้คือถ้าแยกโพชงออกก็ต้องแยกว่านี้คือสิ่งที่ไม่ใช่โพชงเนี่ยนะแยกแยกออกนี้คืออริยมรรตเนี่ยนะนี้คือสัมมาทิฏฐิ ถ้าคนที่รู้ข่าวเนี่ยนะวิจารณญาณไม่ฟั่นเฟือนก็ต้องรู้ดำด้วยนี้คือสัมมาทิฐินี้คือมิจฉาทิฐินี้คือสัมมาสังกปัปปานี้คือมิจฉาสังกปัปปานี้คือมิจฉาวาจานี้คือสัมมาวาจานี้คือมิจฉากัมมันตะนี้คือสัมมากัมมันต์ นี้คือมิจฉาอาชีวะนี้คือสัมมาอาชีวะนี้คือมิจฉาวายมะนี้คือสัมมาวายมะนี้คือมิจฉาสตินี้คือสัมมาสตินี้คือมิจฉาสมาธินี้คือสัมมาสมาธินี้คือมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตินี้คือสัมมาญาณสัมมาวิมุติ n ัญสติเนี่ยผู้ที่มีสตินั้นเนี่ยนะจะจำเนกแยกแยะได้อย่าลืมว่าสตินั้นอ่ะนะมีความจำอันมั่นคงเป็น เหตุใกล้ผู้ที่มีสติจริงๆเนี่ยก็คือคนที่มีข้อมูลมากานะนะเรียนรู้มาเป็นอย่างดีงั้นสติเนี่ยถ้าเราสังเกตจากจารณะเนี่ยพระองค์แสดงต่อจากวิริยะสติพระองค์แสดงต่อจากความเป็นพหูสูตรสติพระองค์แสดงต่อจากหิริโอตตปะสติพระองค์แสดงต่อจากศรัท ธ, ธามันคนที่มีศรัท ธ, ธามีหิริโอตตปะมีความเป็นพหูสูตรมีวิริยะเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้จึงมีสติที่ ที่มีกำลังสติเหล่านี้จึงเป็นสติที่เป็นเครื่องดำเนินเพื่อการตรัสรู้พันคนที่มีสติจึงรอบรู้ว่านี้เป็นสมถะนี้เป็นวิปัสสนา